สวัสดีครับคุณกําลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99วันนี้เราติดต่อกับสายของคุณเต้ได้เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณเต้ครับสวัสดีครับจาครับครับผมคุณเต้ตอนนี้โทรมาจากที่ไหนอ่าที่สระยาที่เดิมครับที่สระยาที่เดิมเราคุยกันล่าสุดเมื่อ ไ, รไหร่เนี่ยคุณเต้อ่ารู้สึกจะ สองอาทิตย์หรือ อ, อาทิตย์ <S <S <S สองอาทิตย์ที่แล้วอะครับสองอาทิตย์ที่แล้วเรื่องล่าสุดที่มาเล่าชื่อเรื่องว่าอฝากเฝ้าแม่ครับอ่อาฝ<ช>ากเฝ้าแม่ใช่ครับะนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เจอเมื่อเก้าปีที่ผ่านมาใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ที่เจอกับตัวของของของแฟนของคุณหมอเนี่ยแหละคือผมจะติดเรียกเขาคุณหมอครับผนะอยากวนคนจะคุยการไปเจออะไรมาเชิญเลยครับ ครับผมครับก็เริ่มเลยนะครับครับก็คือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าอคือเนื่องจากว่าตอนที่คุณหมอเนี่ยเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยผมก็จะติดเลกเลกเลขคุณหมออยู่แล้วนะครับเป็นการให้เกียรติคราวนี้เนี่ยอโดยระบบของของแพทย์นะครับนักศึกษาแพทย์เนี่ยพอเรียนจบปีหกเนี่ยต้องไปใช้ทุนนะครับไปใช้ทุนของรัฐบาลเนี่ยสามปีที่ที่ตามต่างจังหวัดที่เราลงชื่อไว้นะครับ อคราวนี้เนี่ยระหว่างนี้ที่จะต้องไปใช้ทุนต่างจังหวัดเนี่ยผมก็ทําการมั่นกันเพื่ อ, อที่จะเอะไปมาหาสูตรได้ง่ายขึ้นไม่ไม่น่าเกียดยนะครับที่ได้รับรู้เอตัวคุณหมอเองเนี่ยก็ได้ไปใช้ทุนที่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้นะครับซึ่งอผมไม่ขอเอ่ยจังหวัดดีกว่าเพราะว่าถ้าเอ่ยปุ๊บจะจ ะ, จะรู้จักกันเลยคือหมายถึงว่าในในพวกหมอจะรู้จักกันได้ครับนะครับ Mm hmm. คราวนี้ตอนนั้นผมก็เป็นครูอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครั บ, รบก็ทุ่นศุกร์ผมก็จะลงไปที่ที่โรงพยาบาลที่นั่น mm hmm. แล้วก็ไปเที่ยวไปอา่าไปหาคุณหมอไปเยี่ยมนะครั บ, ค ร, บคราวนี้วันนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้ไปไปหาคุณหมอ mm hmm. ที่ที่ที่โรงพยาบาลนั้นครับก็ขึ้นรถจับสายใต้นะครับอประมาณสองทุ่มนะครับรถ mm hmm. เนี่ยก็จะ คับช่วงกลางคืนจะไปถึงที่ปากทางเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับประมาณช่วงประมาณตีสี่ไม่เกินตีสี่ครึงนะครับเราก็จะจะบอกกับตัวของคนขับนะครับหรือหรือตัวของเจ้าหน้าที่ว่าเราจะลงหนะ้าที่ตรงนี้นะถ้ายัางไงช่วยปุกเราก่อนนะครับแล้วแล้วผมก็ทําการโทรไปบอกคุณหมอว่าออใกล้จะถึง hmm. ตรงอักทางแล้วให้มารับทีบนะครับเพราะว่าระยะทางจาก ตรงปากทางเข้าจนถึงโรงพยาบาลเนี่ยมันประมาณระยะทางประมาณเจ็ดกิโลถึงสิบกิโลประมาณนี้ก็จะใช้ระยะเวลาหนึ่งนะครับ อ, อผมก็ตื่นขึ้นมาก็โทรบอกคุณหมอเรียบร้อยแล้วก็ลงหน้าปากทางเข้าทางที่จะเข้าโรงพยาบาลคราวนี้คุณหมอก็จะสั่งเสมอว่าถ้ามาถึงแล้วเนี่ยให้รออยู่ตรงหน้าปากทางอย่าเข้ามานะครับอย่าเดินเข้ามา แล้วหน้าปากทางเนี่ยก็<ๆ>จะมีเหมือนเป็นเป็นตลาดเล็กๆประมาณสักสี่ห้าอตะครับเข<ม> า, าก็จะมีสภากาแฟกันตั้งแต่เช้า ค, คือเข า, าก็จะบริการกับคนที่มากิจยางอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งผมไปครั้งแรกก็ประหมา ก, มก็แบบรู้สึกว่าแบบเราไม่เคยรู้จักกเข า, ขาใครนั่งไปอะไรเดี๋ย ว, วกลัวจะมีปัญหาคือคิดไปเองแต่แต่ครั้งที่คุณหมอสั่งแล้วบอกให้ยืนรอผมก็บอกอไม่เป็นไรก็ เดินเข้าไปในซอยนี้เลยดีกว่า<ม>ในถนนเนี้ยนะครับ<ม>เข้าไปเลยครับอย่างน้อยถ้าตัวหมอขับรถมาก็จะเห็นผมอืมก็คื อ, อยังไงก็เจอกันอยู่ดีนะครับอ่าระหว่างนี้ผมก็เดินไปแล้วก็มองข้างทุ่งข้างทางซึ่งก็ไม่ค่อยเห็นนะครับให้นึกถึงภาพว่าสองข้างทางเป็นป่า ย, ยางครับนะครับมืดๆเลย<อ>มแ่แทบจะไม่มีแสงอะไรเลยแสงจันทร์ก็เรียกว่าแบบไม่ได้เต็มดวงมากมายนะครับ อฝนก็พอมๆผมก็เดินการถนนนะครับกเดินการถนนก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเหมือนบ้านเราแถวกรุงเทพอก็เดินไปปกติเดินระยะหนึ่งนะครับก็เกิดฝนตกหนักขึ้นตกหนักเลยอ่ะยู่ๆใช่ครับคือแบบตกแบบตอนแโปยโปรยแบบเหมือนเป็นน้ําพมมาเฉยตอนแรกเราก็ดวาอ่ะไม่เป็นไรอืมันเป็นปกติของฝนใต้อยู่แล้วครับเอ่อสักพักคือแบบเทลงมาแบบเปลี่ยน ผมก็เห็นข้างหน้าเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนศาลา ร, ารินทางที่แบบรอรถตามแต่งจังหวัดนะคระับศาลารา อ, บบลอรถโดยสารอะไรพวกนี้ใช่ใช่ครับแล้วมันก็จะมีกองไฟเล็กๆครับเราก็เห็นเขาอะไม่มีใคร<อ>เราก็คิดว่าเออ่ชาวบ้านเขาคงแบบมาม า, มาตามไฟคือไหมาว่ามาจุดว่าตรงนี้เป็นที่พักผมก็วิ่งเข้าไปที่ศาลานั้นออเลักษณะศาลาครับก็คือยกพื้นสูงจากพื้นขึ้นมาประมาณสัก ห้สิเซนไม่เกินเมตรนะครับครับแล้วก็เป็นเป็นปูนลอยขึ้นมาอ่าลักษณะเป็นเหมือนรูปตัวยูนะครับแล้วก็เสาสี่เสาขึ้นไปแล้วก็มีหลังคาปกติเลยเหมือนสาราล้อรถอไฟที่ที่จุดอยู่มันก็เป็นเหมือนไฟที่มันสมขอนไม้เหมือนไม้ยางขนาดใหญ่อ่ะครับเามาสมไว้อยู่ผมก็นั่งนั่งรอตรงนั้นนะครับครับคราวนี้ระหว่างที่นั่งรอเนี่ย ไม่นานก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามานั่งอืมนะครับเป็นลักษณะประมาณมีอายุประมาณสักสี่สิบกว่าห้าสิบนะครับเขาเดินหนีฝนมาเหมือนกันใช่ใช่ครับแล้วก็มีมีตะเกียงข่าผมจะเรียกตะเกียงโปะอยู่เลยคือเป็นไฟโปะตรงที่หัวครับอ่าอ่เป็นไฟแบตที่แบบเวลาเขากิจยากไฟฉายติดหัวอ่าใช่อาครับเขาก็เดินค่อยๆเดินไม่ได้วิ่งอะไรเลยค่อยๆเดินมาแล้วก็แบบมา มาที่ที่ตรงช า, าราตรงนี้นะครับคราวนี้ผมก็คิดว่าเขาคงจะที่เกียบวิ่งไปที่ร้านกาแฟก็ ม, มาแวะตรงนี้ก่อนก็วันอื่เจอกันกับผมการแต่งตัวของของผมเรียกคุณลุงแล้วกันคุณลุงคนนี้เนี่ยก็จะใส่เสื้อลายสกส็ตสีสีแดงสลับดำนะครับแล้วก็เป็นนุ่งกางเกงเละสามส่วนสีดำนะครับ ไอ้ไฟตรงนี้เนี่ยเขาเข้ามาปุ๊บเขาก็ดับตรงไฟที่หัวก็จะเหลือแค่ไฟที่ไหมอยู่อยู่ตรงข้างศาลาครับคราวนี้ผมก็ก็นั่งเงียบยครับกะกลัวว่าแบบเออเราแปลกถิน่นเราไม่ได้พูดภาษาถิ่นเขาอะนะครับเียคราวนี้ตัวลุงนเนี่ยเขาก็ทักมาแบบทักมาคือเขาคงจะพูดให้เป็นกลางมากที่สุดครับก็ประมาณว่ามาทําอะไรนะครับผมก็บอกว่าอ๋อพอดีผมเป็นญาติของหมอพอดีมาเยี่ยมหมอครับคุณหมอก็มารับก็คือแบบ กุ้งกึงนกลัวด้วยนะครั บ, รบตัวลุงนี้บอกอ๋อเข้าใจละเ อ, อ อ, อ, อหมอที่มาจากกรุงเทพใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมอ๋อ อ, อ, อ, อ, อ๋อเมื่อสองวันก่อนนะยังเจอกันอยู่เลยในี่ใส่ดีมากเขาก็พูดเราก็อ๋อโอเคสบายใจละ ว, ว่าแบบเออเขาเขารู้จักแฟนเราครับผมก็ยิ้มๆแล้วก็บอกเออก็แบบแไม่กล้าพูดอะไรมากก็กลัวจะไ้กวนใจ คราวนี้ตัวคุณลุงเขาถามว่าเออแล้วน้องชื่ออะไรอืมผมก็บอกว่าเออผมชื่อเต้ครับ<ะ>แล้วแล้วแล้วคุณพี่อะครับอะไรพวกพี่บอกว่าเออเขาอะชื่อพิ่เติมหรือพิ่เติมนะอพี่เติม<ะ>ผมก็บอกไปยิงกินแล้วก็ถามว่าแบบเออพี่เพิ่งกี่ยางเสร็จเหรอครับบอกใช่ใช่เนี่ยฝนมันตกฟก่อนยังไม่ทนันจะเก็บน้ำยางเลยว<ะ>ุ่นวายเลยเช้านี้นะครับคร<ะ>าวนี้ผมก็แบบดูนาฬิกาก็แบบตีสี่ประมาณ ยี่สิบแล้วก็แับเดี๋ยวหมอคงมาถึงนะครับเขาบอกว่าจังหวะที่เรือบดูนาคาตัวคุณลงเติมเนี่ยเขาพู้บอกว่ามาเนี่ยมาคนเดียวเนี่ยที่หลังจะเข้ามานะครับระวังทั้งคนทั้งผีอไอไอประโยคแรกก็ไม่เท่าไหร่คกินแต่ประโยคที่สองที่บอกว่าระวังผีนะคือว่าไอระวังคนยังพอเข้าใจได้ ใช่คับไอเราะวังบอกว่าระวังทั้งคนทั้งผีเนี่ยเออใช่ออคือเราก็แบบเห็นว่าเราแบบไอหน้าแปลกเอะตว่าแบบเออแบบมาอำเรามาแบบจะขู่เราอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบเอาครับครับผมก็กลัวเหมือนกันบอกเอา้าแล้วทาไมถึงเดินเข้ามามบอกว่าพอดีจะได้รีบมารับผมจะได้แบบไม่ต้องขับรถออกไปไกลครับผมก็บอกอย่างเงี้ยว่าดีแล้วแต่ยังไงก็ระวังละกัน ก็เดี๋ยวนั่งร อ, อก่อนเดี๋ยวไงเดี๋ยวรถผ่านมาคงเห็นครับนะครับคราวนี้ระหว่างที่นังรอผมก็เงียบก็ไม่กล้าคุยอะไรกั บ, กบคุงมากมากคราวนีก็ได้ยินเสียงเด็กประมาณเด็กไม่เกนินหกเจ็ดเดือนอ่ะครับร้องออก็ร้องแบบร้องจากจาอ่อสะดุ้งผมก็มองหันซ้าแหันขวาว่ามันมีบ้านที่อยู่สอดยางกันบ้างไหนคือมองไปก็มืดไม่มีไฟไม่มีอะไรก็มืดหมด คราวนี้ตัวคุณลุงบอกกลัวเลยออืมนะครับก็ก็งงก็กลัวว่าเออมันเสียงอะไรมันมีเสียงเด็กร้องอ่ะใช่ครับลองจ้าเราบอกโอ้ไม่ต้องกลัวหรอกเป็นธรรมดาครับเอาผู้เอาศกเด็กกันไปแถวเนี้ยคิดมากเราก็บอกโอ้โหแบบมาขู่กันแบบนี้แต่ก็กลัวจริงเพราะว่าเสียงมันก็แบบใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่หา ไฟหาบ้านไม่เจ อ, อครับคราวนี้เด็กก็เนียไปรเราก็แบบสบายใจแต่สิ่งที่ได้ยินมากกว่านั้นก็คือว่าเป็นเสียงคนวิ่งบนหลังคาหลังคาศาลาครับไอหลังคาที่เรานั่งอยู่ในศาลาเนี่ยนะใช่ใช่ครับคือวิ่งแบบเหมือนวิ่งลงซนกระแทกคาปึ้งพึ่งพึ่งพึ่ผมก็ลุกลุกก็จะวิ่ง วิ่งคือวิ่งออกนอกสระตัวตัวคุณลุงเตินเขาบอกว่ายายยายาไม่อย่ไปวิ่งอย่าไปกลัวมันนั่งนั่งครับนั่งตรงเนี้ยแหละนั่งกับลุงเนั่นงกับกี้เนี่ยผมก็คือก็แบบกลัวก็กลัวจต่กลัวทั้งคนทั้ ง, ท, งทั้งเสียงที่มันมีครับครับคราวนี้ลุงเหมาะนั่งนั่งนั่งพอนั่งเสร็จผมก็คือทําใจใจดีไว้อืลุงแกก็เดินไปไปถึงปุ๊บแกก็ตกเสาสระ ไอ้เสาใช่ครับไอ้เสาสนั่นเลยครับสนั่นแบบกับคือหลังคาเลยครับเ บ, บ, บาๆหน่อยคุณจะคุยกันอว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็เล่นก็เลยคือเขาก็ด่าเลยมาสาตาแบบจาได้ประมาณเนี้ยออออืเแล้วก็เสียงก็เงียบแล้วก็เป็นเสียงหัวล้อแบบคกเสียงแบบแบบเด็กหัวร้อแบบเหือแบบ เหมือนเราจะ่เอกก็เด็กแล้วเด็กก็จะหัวเราะเออเอออ่ะเนี้่ยเดี๋ยวนะคุณเต้ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ลุงเดินอยู่ๆลุกขึ้นไปแล้วไปตีเสาเฮ้ยเบาๆหน่อยคนจะคุยกันคุณเต้นั่งกับลุงสองคนนะตอนนั้นคิดอะไรอยู่จะวิ่งครับคือใจคือใจอยากจะวิ่งวิ่งคืออยากจะแบบพ้นแล้วแบบโหใจคิดไม่หน้าเลยไม่น่าเลยเข้ามาแต่ลุงก็แบบ ส่วนแบบคนถิ่นว่าแบบเอ้ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจัดการให้รเราเข้าใจหนึ่งก็แบบสงสัยลุงคือแบบสงสัยคือ อ, อาจจะเป็นสับเบลหอมั้งหรือว่าคนมีวิชาอะไรแถเนี้หรือแกเจอจนชินครับเออแกก็เลยให้ให้ผมนั่งแกก็ทําอันเนี้ยให้ดูคราวนี้ฝนมันก็เริ่มซา ล, ลงแล้วเสียงเนี้ยไอเสียงหัวเราะเด็กก็เงียบไปแล้วคราวนี้ไฟไอข้างๆที่ ท, ที่ที่เขาเกาะมาอยู่อะครับ มันก็เริ่มมอดเพราะว่าฝนมันตกหนักใช่ไหมครับ<อ>ไฟมันก็เริ่มเริ่มเริ่มลาไปแล้วเริ่ ม, ม, มแบบจะมืด<อ>แกก็เดินไปถึงปุ๊บไอ้ไฟเนี่ยอ่าถ้าพิจารณาสภาพก็คือว่าศาลาเนี่ยหันหน้าออกถนน<อ>ผมนั่งหันหลังให้ไฟ<อ>ให้หันหลังให้กองไฟด้านด้านขวา<อ>ส่วนคุณลุงเนี่ยนั่งอยู่สุดศ<อ>าลาก็คือนั่งทางด้านสายมือผมอ่าผมก็จะเห็นแกตะคุ่มตะคุ่มก็ไม่ก็ไม่สว่าง แกก็เดินบอกว่าไฟมันจะเริ่มล้าแล้วแกก็เดินเดินเดินมาถึงอ่ายืนตรงด้านขวามือผมตรงนอกศาลาะครับแกก็ถีบท่อนไม้โค่อืพอถีบไปปุ๊บผมก็หันไปดูพอไฟมันก็ลุกขึ้นมาปุ๊บเป็นเป็นสว่างทีเนี่ยผมก็เห็นเป็นเด็กอเด็กมันจะบอกศพเด็กก็ได้คือเป็นศพเด็กอ ย, อยู่ตรงนั้นหมายถึงว่า ตอนที่ลุงแกทําให้ไฟมันลุกขึ้นมาพอไฟมันสว่างปุ๊บปรากฏว่ามีปืนน่ะหน่ะมันทับเด็กอยู่ไม่ีเด็กสดเด็กอยู่ตรงกลองไฟนั่นเนาะใช่ครับเฮ้ยคือคือผมไม่ฝนละลุงจะบอกว่าอยากไม่อยากผมไม่ฝนคือแบบเอ้จะไปไหนลุ่มล้อกันไม่มีอะไรอยูผมวิ่งวิ่งเลยครับคระสตาร์ออกจากสาลาก็วิ่งออคราวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ย คือไม่รู้ว่าทางไหนไปทางถนนใหญ่ทางไหนไปทางโรงพยาบาลดูปบบวิ่งออกไปเลยออืก็ออกไปปุ๊บจังหวะรถของหมอมาพอดีคกับไฟก็ผ่านมาพอดีผมก็บงกโวงโว่โว่แบบตะโกนกลางถนนนะครับพอจอดได้ปุ๊บหมอเขาก็เปิดประตูลงอือกว่ามีอะไรผมบอกขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นรถขึ้นรถคุณหมอ่เขามาผ่านไปเรารอบหนึ่งแล้วก็ไปวนจัดทางถนนใหญ่ครับ เขาถามตรงไลนกาแฟข้าน้าว่าว่าว่าเห็นผู้ชายมาไหมเขาอกอ๋อเนี่ยเห็นเดินเข้าไปละคือหมอจังหวะกลับรถพอดีคือจังหวะผมออกไปก็คือวิ่ออกนอกถนนใหญ่ก็คือนรถเสร็จคุณหมอก็ขับออกคือก็ผู้หญิงขับหรอครับก็จะค่อนข้างช้าหน่อยผมบอกนี่ไปนี่ไปจังหวะที่เขาปดปดเบรคมือเข้าเกียร์ P เกียร์ D ครับอืไฟมันก็จะสว่างไฟแดงๆท้ายรถก็จะสว่าง ก็เห็นคุณลุงเ uh. นี่ยคุณลุงเติมเนี่ยอือ mm ุ้มเด็กเห็นเหมอ่อแล้วก็ขวากมือว่าจะไปไหนรอออนไม่ต้องรีบไปครับคือผมก็แบบคือก้มหน้าตรงหน้าคอนโซลก้มหน้าบอกบอกหมอว่าไปเลยไปรีบไปไปไปให้เร็วที่สุดอ่าก็ไม่พูดอะไรผมก็คือสั่นทั้งตัวครับนะครับจนหมอมาจอดที่โรงพยาบาลอ่าต้องเล่าสภาพว่าโรงพยาบาลเนี่ย จะเป็นโรงพยาบาลตามแต่งจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะขึ้นเนินปึ๊บอ่าข้างหลังก็จะเป็นภูเขาเป็นด้านห้องอ่าเขาเรียกว่าเป็นเหมือนบ้านบ้านหมอนะครับบ้านหมอบ้านเจ้าหน้าที่ส่วนด้านด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลครับผมก็บอกว่าจอดที่สว่างๆก่อนอย่าเพิ่งไปมืดๆกลัวๆอืมอือ่าตอนนั้นก็ประมาณกเกือบเกือบตีห้าแล้วนะครับเกือบ <ๆ S 2> ตีห้าผมก็อา่าเงียบไปเลยหมอว่าเป็นไรเกิดอะไขึ้น คือคุณหมอคิดว่าผมอะไปมีเรื่องกับครับคนที่นั่นอืออ่าเขาคิดไปถึงเรื่องนั้นโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออขอทำใจสักนิดนึงออืก็พอทําใจได้ผมก็บอกว่าเจอผีมาครับเจอผีเด็กคือใจคิดว่าออืเจอผีเด็กเนี้ยอย่างนี้นที่สาลาแล้วก็มีคุณลุงคนนึ่งเขามาช่วยเออไม่รู้ว่าเป็นสับเหลืออะไรหรือเปล่าแต่แต่ผมเรียกเรียกกันเองว่ า, วาคุณหมอมา เนี่ยแต่เขาบอกว่าเขารู้จักหมอนะอ่าอ่อแล้วเขบอกใครก็บอกเนี่ยรูปร่างเขาสัมทัสสัมทัสอ่าพอดีตัวผิวขำหน่อยครับใส่เสื้อลายสก๊อตแขนยาวอ่าสีดําแดงลงสองส่วนสีดําอืมอ่าเขาบอกชื่อลุงเติมครับหมอก็เงียบอันนี้หมอกเงียบผมก็แบบทำไมเหรอลุงจะเป็นสอบอันเลยใช่ไหมครับเออโหก็เล่นได้น่ากลัวมากคือแบบก็แบบ บอกหมอหมอบอกว่าไม่ใช่คือเมื่อสองเดือนก่อนมันมเหตุยิงกันตาย อ, อมีผู้ชายคนหนึง่งไม่คือตอนนั้นหมอไม่มทรับชื่อออื ม, มีการไล่ ย, ยิงกันจนมาถึงหน้าโรงพยาบาลครับแล้วคนร้ายก็ตามมายิงผู้ชายคนเนี้ยกําลังจะเข้าโรงพยาบาลออืคือพูดง่ายว่ายิงตายคาโรงพยาบาลเลยอะคะครรัับบก็คือลักษณะเนี้ยออืก็คือเป็น คุณลุงแต่คุณหมอไม่รู้จักชื่อคือคุณลุงที่โดนจริงตายตัวเองผมก็เลยบอกอ้าวแล้วคือเขามาคุยเขบอกว่าคุณลุงคนเนี้ยเขาอาจจะมาช่วยผมก็ได้เพราะแบบเห็นเดิ์มาคนเดียวมันเปรี่ยวมันอันตรายแล้วก็บอกว่าเนี่ยหมอที่รู้จักก็คือช่วยเพราะว่าตอนนั้นคุณหมอเองก็อยู่ในเหตุการณ์ก็คือ กำลังยิงกันเสร็จหมอออกมาแล้วก็เอาผึไข้เข้าห้องฉุกเฉินพอดีแต่ก็ช่วยช่วยคุณลุงอ่ะไม่ได้ที่ช่วยเป็นที่แล้วเพราะว่าโดนกระหน่ำยิงก็ไม่ไม่รอดอืเราต้องบอกว่าก็เป็นไปได้ว่าตัวคุณลุงเนี่ยเขาไม่ช่วยไหวครับครับคราวนี้ผมก็แบบโอเคโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเด๋ยวุงนี้เช้าเรารีบไปแต่เช้าเลยแล้วกันไปทําบุญให้คุณลุงก็ไปถึงปุ๊บก็รีบเก็บของเก็บอะไรก็ประมาณ เกือบๆกโมงแล้วครับก็เริ่มสว่างแล้วก็ต้องขับออกทางเดิมผมก็จะบอกว่าเราถึงตรงศาลาขับชะลอชะลอหน่อยนะเพื่อเผื่อถ้าถ้าเขามีหมายถึงว่ามีญาติมีอะไรที่ที่เขาพอเผาศพเด็กคือใจยังคิดอย่างนั้นอจะได้แบบเออเหมือนใส่บาทถวายปัจจัยกับพระไปเลยหมอบอกว่าศาลาไหนคือก็ก็างเขาศาลาริมทางไงก็ตเียที่ออกมา เออมันมันไม่มีสาราสาราอะไรรกก็เนี่ยสาราเนี่ยเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวอยูด่ด้านขวามือเลยเดี๋ยวชี้ให้ดูเลยจำได้ก็ประมาณหกโมงกว่าแล้วก็ขับออกไปก็<อ>เริ่มสางผมก็ชี้เห็นเห็นยอดสาราก็ชี้เนี่ยเนี่ยยอดสาราครับคุณหมอก็หันหัวรถเข้าไปหน่อยหนึ่งแต่ไม่เข้าะครับคือทางเข้าก็จะประมาณกว้างประมาณสักสามเมตรครับขับเข้าไปประมาณสักสี่ห้าเมตรก็จะเป็นลานดินกว้างออ ลักษณะก็คือเป็นเสาสี่เสาออสูงประมาณเกือบเกือบห้าหกเมตรนะครับก็มีหลังคาด้านบนครับคือมันคือเชิงตะกอของชาวบ้านของเขาที่เขามาเผาไม่ใช่สาราโมรถเหรอไม่ใช่ครับพี่อย่บอกว่าที่เราเข้าไปนั่งนั่นคือเชิงตะกอเหรอใช่เขาจะมีที่ที่ขอบปูนนั่งอ่ะครับคือผมมาไปนั่งตรงนั้นอแต่คือแบบครับมันไม่มีการจุดไฟจุดฟืนอะไรทั้งนั้นคือครับ คือถ้าเป็นภาพจริงๆก็เท่ากับผมนั่งอยู่ตรงนั้นแหละหมอบอกเนี่ยสาลาสาลาอะไรนี่เชียงสะกอนผมก็บอกเฮ้ยที่ความที่เราเป็นคนต่างถิ่นแล้วก็มันมืดต่างจังหวัดฝนมันตกแล้ววิ่งมามันเห็นว่าเฮ้ยมันมันอยู่ริมถนนน่ะเป็นผมผมก็คิดได้ว่าเนี่ยคือสาลารอรถใช่ครับเออคือแค่นั้นเลยว่าเจอเจอที่หลบฝนและเสื้อผ้าอยู่ในกระเป๋าจะได้ไม่เปียกอย่างน้อยก็ยืนหลบฝนก่อนจนกว่าจะ เห็นรถมาจะได้ตะโกนหรือโทรบอกได้ครับครับเนี่ยครับตล้ก็เพราะผ่านได้ก็เจออ่าวเชิงตะกอนครับนก็บอกถอยออกเลยถอยออกไปเลยไปใครทํำวงทําบุญเลยคราวนี้ทุกครั้งที่ลงไปเวลาผ่านผ่านตรงจุดเนี้ยผมก็จะหลับตาใช่ไหมครับถือไม่มองแล้วก็ก้มหน้าแบบหันหน้าไปทางนี้ก็จะแบบกำฝั่งใจเลย ไม่น่าเลยไม่น่าคือผมฟังเรื่องของคุณเต้นะผมไม่แน่ใจแล้วว่าตกลงลุงแกมาช่วยหรือลุงแกมามาซ้าเติมเรากันแน่ใช่มันคือแกถ้าแกมาช่วยเนี่ยแกไม่ต้องมาสำแดงให้เห็นก็ได้ไงก็ถีบแหมถีบเสาไม้ให้มันหล่นใส่กองไฟให้เห็นเป็นศพเด็กแถมยังอุ้มเด็กขึ้นมาเฮ้ยจะไปไหนหเฮ้ยเออ เหมือนเหมือนแกอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วผมว่าแกงเหงาว่ะเหมือนด้วยครับคือแบบต้องบอกว่าแบบจะไม่ได้แกคือแกไม่เคยไม่ได้สัมผัสตัวผมนะครับครับครับคือแกยืนห่างๆกับผมในระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะเห็นแกแบบตะคุ่มตะคุ่มตลอดครับไม่ได้เห็นแบบชัดเป็นดีเทลเส้นผมหือตัวเย็นตัวร้อนไม่ได้จับ เวลาแกบอกว่าอย่าไปแกก็จะชูมือกันว่าแบบอย่าไปอย่างไปอย่างเงี้ตลอดเดี๋ยวนะคุณเต้เชิงตะกอนเนี่ยส่วนมากมันก็จะอยู่ในในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทําไมอันนี้มันอยู่ริมถนนนะมันมันไม่เชิงริมถนนครับมันคือถนนถนนจักถนนใหญ่เนี่ยเข้าไปปุ๊บแล้วเชิตะกอนเนี้ยมันเข้าไปเข้าไปประมาณสักหาเมตรสิอ๋อโอเคคือมันก็อยู่ในพื้นที่ของเขาใช่เป็นเชิงตะกอนของชาวบ้านที่เขา สมัยก่อนกูเพื่อฟังเชิงตะกอนก็คือเมนเผาศพในสมัยนี้แหละหลายคนเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักเชิงตะกอนคือมันไม่มีปล่องปล่องควันไม่มีครับเผาตรงนั้นเลยเผาตรงนั้นเลยฮะเออยกหลังคาสูงๆกันไม่ให้ฝนมันมาโดนฟืนครับใช่ที่ผมไปถามรายละเอียดไปเขาบอกว่าเชิงตะกอนนี้เริ่มใช้นานแล้วล่ะอืมเป็นเชิงตะกอนเก่าใช่ครับเป็นผมนะคุณเต้นะผมใส่เกียร์หมาตั้งแต่ ได้ยินเสียงบนหลังคาแล้วลุงไปตีเสาแล้วบอกเบาๆหน่อยคือแกไม่ได้คุยกับคนแน่ๆใช่เออครับครับโอ้ยพระเจ้าวิญญาณบอกอย่าพึ่งตายแล้วก็อาศัยว่าเออเฮ้ยเขาเป็นผู้ใหญ่กว่ามือโอ้ยวิชาเราก็แบบเออต่างถิ่นก็นั่งเก่อนปะคตอบครับเออ้น่ากลัวสนุกฮะเรื่องนี้เรื่องของอย่ากกนคนจะคุยกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าลุงแกเนี่ย จะมาช่วยหรือจะมาซ้ำเติมเรากันแน่นะครับเออได้ได้กเต้ขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะได้ครับจริงๆครับนะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับหลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืมซ u b s ไ r i b e Channel the Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ